ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดของโลกคำตอบก็ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆที่ได้รับการจาัดลำดับอยู่ในโลกนี้ เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นบุคคลและเป็นคำสอนที่ได้บรรลุถึงการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดและจะสามารถทำให้ ผู้ที่ได้มาพบปะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเช่นเดียวกันสิ่งมาสัจจันต์ต่างๆอื่นๆในโลกนี้ไม่สามารถทำให้ผู้ได้ไปพบปะได้เห็นได้ดูสามารถหลุดพ้นจากการ เวียนว่ายตายเกิดได้ความมหัจจันธ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จึงเป็นความมหัศจันธ์ที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรจะมหัศจันธ์เท่ากับการได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายที่สัตว์โลกทั้งหลาย ต้องประสบพบกันรวมไปถึงผู้ที่ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆของโลกขึ้นมาเขาเหล่านั้นก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นผู้ที่สามารถทำให้ตนเองได้หลุดพ้น จากการเวียนว่ายตายเกิดและสามารถทำให้ผู้อื่นด้วยการสั่งสอนให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยนี่แหละคือความอาศจรรันที่สูงสุดแล้ที่ใหญ่ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ ความอัศจรรย์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราได้มีวาสนามาพบมาเห็นมาได้ยินมาได้ฟังกันและพวกเราถ้ามีความศรัทธามีความอุตสาหะภาคเพียรที่จะศึกษา และปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอาหารตสสาวกทั้งหลายพวกเราก็จะสามารถได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์คือการหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอน โอกาสอย่างนี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆและบ่อยๆเป็นโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งการปรากฏของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เป็นเวลาใช้เวลาอันยาวนานมากที่จะไม่มาปรากฏให้ โลกได้พบปะได้กราบไหว้บูชาได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามกันเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้นับด้วยกับด้วยกันไม่ใช่นับด้วยล้านปีหรือแสนล้านปีเป็นเวลาที่ยาวนานกว่าแสนล้านปี ไม่สามารถเขียนได้ด้วยตัวเลขว่ามันยาวขนาดไหนนี่คือหนึ่งของความมาส จ, จันคือนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายให้เป็นผู้นำพาสัตว์โลกให้ได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด แล้วการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในวาระเดียวกับการเกิดของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือการเกิดของพระธรรมของพระอาหลันตัสสาวก็ดีก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเช่นเดียวกันการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้ทรงแสดงไว้ว่า มันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นของมหาจรัรย์เมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดของสัตว์ชนิดอื่นๆมนุษย์นี้จะมีลูกได้ก็คนหนึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งก็มีไม่ได้กี่คนไม่เหมือนกับบรรดาสัตว์ต่างๆที่มีลูกได้เป็นฝูง นี่ก็คือความยากของการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และความมาสัจจันที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในช่วงที่มีพระพุทธศาสนามีสิ่งมาศัจจันที่สุดของโลกให้ได้กราบไหว้บูชาให้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติตาม พวกเราจึงควรที่จะใช้โอกาสอันมหาสัจจ์นี้ให้เกิดความมหาศัจจันเกิดผลที่มหาศัจจันที่พึงจะเกิดกับพวกเราได้ถ้าพวกเราไม่ประมาทนอนใจไม่ประมาทตนเองว่าเป็นผู้ ด้อยวาสนาผู้ไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพุทธเจ้าได้เพราะพวกเราทุกคนนี้มีวาสนามีศรัทธาที่จะมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพ่อพุทธเจ้ามีความอุตสาหะผ่าเพียน ที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยกันทุกคนและมีความสามารถเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศใดจะเป็นหญิงหรือเป็นชายก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นคารวะญาติโยมหรือเป็นบรรพชิตนักบวญ ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นชนชาติเผ่าพันธุ์ใดก็ตามถ้าสามารถเข้าถึงคําสอนได้ก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นชาวต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศที่มีต่างภาษา เขาก็ยังสามารถเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆไปหลายภาษาด้วยกันผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาไทยหรือภาษาบาลีก็สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ และเมื่อได้เข้าถึงแล้วก็ได้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าในบ้านเขาในประเทศเขาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีพระพุทธศาสนาที่จะคอยสนับสนุนส่งเสริมในการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเขาก็ สามารถเดินทางจากบ้านเขาจากประเทศเขามาสู่บ้านเราที่มีพระพุทธศาสนาเป็น เ, เป็นระบบที่คอยสนับสนุนในการปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานเขาอยู่ไกลแสนไกลจากเราเขายังอุตสาหข้ามน้ำข้ามเรือข้ามทะเลมา ศึกษามาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเรานี้อยู่กับพระพุทธศาสนาเกิดมากับพระพุทธศาสนาพวกเรานี้มีโอกาสมีวาสนาที่มากกว่าเขาพวกเรามีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานมากกว่าเขา ถ้าพวกเราไม่ฉวยโอกาสนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายถ้าจะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือจากเราไปโดยที่ไม่ได้รับผลประโยชน์คือมักผลนิพพานจากการได้มาเกิดเป็นชาวพุทธได้มาอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา ได้เข้าถึงพระอริยสงสาวกต่างๆถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติกันอย่างเป็นกิจจลักษณะเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าทำไมไม่ได้ปฏิบัติกันมีอะไรเป็นอุปสรรคขวางกัน้นทำไมเราไม่รีบฉวยโอกาสกันจากตัวงสิ่งที่เป็นมหาสารจั์ที่ ที่สุดของโลกนี้ที่อยู่แค่เอื้อมมือของพวกเราแล้วเพียงแต่เอื้อมมือไปจับก็ถึงแล้วได้แล้วทำไมไม่เอื้อมมือกันไปทำไมกลับไปให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆที่ไม่หัศจรไม่มาหัศจรรย์กันทำไมทำไมไปให้ความสำคัญกับลาบยศสรรเสริญกับความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทำไมมันเป็นความสุขที่ไม่มหัศจรรย์เลยและนอกจากไม่เป็นความสุขที่มหัศจรรย์แล้วมันยังเป็นความทุกข์แสนสาหัสเสียด้วยซ้าไปแต่กับมองไม่เห็นกันเพราะอำนาจของโมหะอาวิชชาความหลงครอบงาจิตใจ ทำให้เห็นกงจากเป็นดอกบัวไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปแล้วเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์ไปจึงแทนที่จะเดินเข้าหาสิ่งที่เป็นสุขก็เดินหนีจากสิ่งที่เป็นสุขแล้วก็เดินเข้าไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะความเห็นผิดเป็นชอบนี่เอง คือมิจฉาทิฏฐิการที่จะแก้มิจฉาทิฏฐินี้ก็ต้องแก้ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินี้ก็มีอยู่ในมรรคแปดของพระพุทธเจ้านี้เองละการที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาในเบื้องต้นท่านก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าด้วยการฟังเทศฟังธรรมนี้เองอา น, นิสงของการฟังเทศฟังธรรมนี้ มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือ 1. หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดำับสจะกำจัดความลังเลสงสัยให้หายไปได้สทําให้มี สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขเป็นอย่างยิ่งนี่คืออนิสง์ของการฟังเทศฟังธรรมอนิสง์ที่เราต้องการกันในขณะนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้อง ความเห็นว่าทุกเป็นทุกความเห็นว่าสุขเป็นสุขเพื่อที่เราจะได้มาแก้มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบที่ไปเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแล้วไปเห็นสิ่งที่เป็นสุขว่าเป็นทุกข์เพื่อที่เราจะได้ปรับการเดินของของเราให้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องก็คือ เดินทางไปสู่ความสุขนั่นเองเดินทางออกจากกองทุกกองทุกก็คือลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายนี่แหละที่พวกเรายังเดินเข้าหากันอยู่ยังไม่สะทกสะทานยังไม่หวั่นไหวยังไม่ยังไม่หวาดกลัวต่างกับนักปราชญ์ทั้งหลายที่จะเห็น ลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นสิ่งที่น่าหวาดกลัวเป็นอย่างมากเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าหาไม่ควรเข้าใกล้เลยควรจะถอยห่างออกมาเพราะเป็นเหมือนกับกองเพลิงดีๆนี่เองนี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบต้องเห็นว่าทุกขเป็นทุกขะ ทุกเพราะอะไรทุกเพราะไม่เที่ยงนั่นเองราบยศสารเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้จะให้ความสุขกับเราตอนที่จเจริญเท่า น, นั้นเองเวลาจเจริญราบยศสารเสริญจเจริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นความสุขแต่ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ เช่นเดียวกับลาบยศสรรเส ร, ริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ก็เป็นของที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาแต่คนโง่นี้จะมองไม่เห็นความเสื่อมกันจะเห็นแต่ความเจริญของลาบยศสรรเส ร, ริญ ส, สุขกันจึงไม่กลัว ยึงเดินเ้าหาอย่างไม่มีความสะทกสะทานแล้วพอไปเจอความทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมก็ต้องทนทุกข์ทรมานไปถ้าทนไม่ไหวก็อาจจะถึงกับการฆ่าตัวตายไปนี่คือความหลงหรือความเห็นผิดเป็นชอบที่จะผลักดันให้ ผู้ไม่รู้ผู้ไม่มีสัมมาทิฏฐินี้เดินเข้าหากองทุกข์กันแทนที่จะเดินออกจากกองทุกข์กันแทนที่จะเดินเข้าสู่กองสุขกันกองสุขนี้ไปทางไหนก็ไปทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ดาเนินไปนั่นเองทางที่พระอาหารหันตสาวุกทางที่ครูบาอาจารย์ต่าง ท่านได้เดินไปกันแล้วท่านก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่มีมิจฉาทิฐิกันให้มาให้กลับมามีสัมมาทิฐิกันให้เดินเข้าหากองสุขกันอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกได้เดินกันท่านเดินเข้าสู่มรรคผลนิพพานกันะ ทางที่พาให้ท่านไปสู่มรรคผลนิพพานคืออะไรก็คือทานศีลภาวนานี่เองทางที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพ ก, กราบไหว้บูชาท่านเดินทางนี้กันทั้งนั้นท่านทําทานกันทั้งนั้นท่านรักษาศีลกันทั้งนั้นท่านภาวนากันทางนั้นท่านไม่ได้ไปหาลาบยศสารเสริญ ไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันทั้งนั้นท่านจึงได้เดินทางไปถึงมรรคผลนิพพานได้พวกเราผู้ที่มีความเคารพรักเชื่อฟังครูบาอาจารย์ของพวกเราเราก็ต้องเดินตามทางของครูบาอาจารย์ถึงจะเรียกว่าสิทธิ์ที่มีครู อย่างหลวงตากคยพูดอยู่เสมอว่าต้องเป็นศิษย์ที่มีครูครูสอนให้ทำอะไรครูทาอย่างไรถ้าจะเป็นลูกศิษย์กันจริงๆก็ต้องทำตามคําสอนทำตามการกระทาของครูบาอาจารย์ถึงจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่มาขอการาบเป็นลูกศิษย์แต่การกระทานี้มันไม่ได้กระทาตามเลย มาขอบางคนนี่มาขอกราบเป็นลูกศิษย์ขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์สั่งแล้วมันก็ขำทําไมต้องถวายด้วยเพราะของเหล่านี้มันไม่ใช่ของที่จะต้องถวายกันแต่เป็นของที่จะต้องปฏิบัติกันลูกศิษย์ก็ต้องทําหน้าที่ของลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ก็ต้องทําหน้าที่ของครูบาอาจารย์หน้าที่ของครูบาอาจารย์ก็คืออบรมสั่งสอน ให้ลูกศิษย์มีสัมมาทิฏฐิให้ลูกศิษย์เดินไปในทางที่จะพาไปสู่มรรคผลนิพพานนี่คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ถ้าได้ทำหน้าที่อย่างนี้แล้วก็ถือว่าได้เป็นครูบาอาจารย์แล้วส่วนหน้าที่ของลูกศิษย์ก็คือต้องฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติตามถ้าไม่ฟังหรือฟังแล้วไม่ปฏิบัติตาม ก็จะไม่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ตามคำนิยามของคำว่าลูกศิษย์หรือคำว่าสาวกสาวกก็คือผู้ฟังฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแล้วก็จะได้กลายเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพระอาลันตาสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ท่านฟังพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้สรงปฏิบัติได้สรงสอนให้ปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็ได้เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ต้องมากราบขอถวายตัวเองเป็นลูกศิษย์แต่อย่างใดเป็นลูกศิษย์โดยความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือปฏิบัติตาม คำสอนของครูบาจารย์แล้วบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่ครูบาจารย์ได้เดินทางไปถึงก็ได้เป็นลูกศิษย์โดยปริยายไปโดยธรรมชาติไปไม่ต้องเอาดอกไม้ทูกเทียนมากราบขอเป็นลูกศิษย์ให้เสียเวลาไปเปล่าๆเพราะการขอเป็นลูกศิษย์แบบนั้นขอไปจนวันตายก็ไม่ได้เป็นอยู่ดี ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์มาถวายตัวเป็นลูกศิษย์แล้วก็กลับไปหาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายขออย่างนี้ขอไปก็ไม่ได้ผลไม่ได้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดแต่ถ้านเชื่อฟังแล้วนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติ จะมานำดอกไม้ทูบเทียนมาขอฝากตนเองเป็นลูกศิษย์หรือไม่ก็เป็นลูกศิษย์โดยความเป็นจริงอยู่แล้วด้วยการปฏิบัติเนี่นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะถามตัวเราเองว่าทำไมเราจึงไม่ได้ไปในทางที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนให้พวกเราไปกัน ทำไมาพวกเรายังไปในทางตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ได้ทรงสั่งสอนให้พวกเราไปกันทำไมายังไปหาลาบยศสรรเสริญยังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็เพราะถูกกิเลสแอบอ้างว่าเพราะพ่อมั่งเพราะแม่มั่งเพราะลูกมั่งเพราะงานบ้าง แต่อันนี่เป็นข้ออ้างทั้งนั้นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของตันหาความอยากคือกามะตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นต่างหาที่เป็นตัวที่ผลักดันให้เราเดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลูกไม่ใช่ครอบครัวไม่ใช่กิจการทรัพสมบัติเงินทองอะไรต่างๆที่เราต้องไปดูแลรักษาไปจัดการแต่เป็นเรื่องของตันหาดีๆนี่เองถ้าคิดว่าเป็นเรื่องของพ่อของแม่จริงก็ต้องอย่า อย่าไปทำอะไรตามตันหาความอยากอยู่กับพ่อกับแม่ดูแลพ่อกับแม่ก็ดูแลไปแต่อย่าไปทำตามความอยากของตันหาทางตาหูจมูกลิ้นกายกามะตันหาหรือกามะตันหาภาวะตันหาหรือวิภาวะตันหาถ้าทำอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าทำตามเหตุจริงๆตามตามเหตุผลจริงๆ คือต้องดูแลพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูลูกต้องดูแลทรัพสมบัติเงินทองข้าวของต่างๆก็ทำไปด้วยการไม่มีตัณหาสิไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นนรือเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้สิ่งนั้นเกี่ยงนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่า ทำตามเหตุผลจริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วเหตุผลที่แท้จริงที่เดินสวนทางกับพระพุทธเจ้าก็เพราะความอยากนี้เองเพราะตัณหาทั้งสามนี้เองคือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาไม่เชื่อลองสํารวจตัวดูเองดูว่าเป็นอย่างนี้หรือไม่ถ้าไม่มี การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาถ้าไม่ได้ทำเพื่อตัณหาแล้วก็จะต้องไปทางทานศีภาวนาอย่างแน่นอนแต่ถ้ายังไปทางลาบยศสรเสิญยังไปทางของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ต่อให้จะอ้างเหตุนั้นเหตุนี้ก็ตามมันก็อ้างไม่ขึ้น เพราะการกระทํามันบ่งบอกอยู่ในตัวของมันเองเช่นสมมุติว่าถ้าเราไปทําเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งเพราะพอ่พอเพราะแม่หรือเพราะใครก็ตามอย่างน้อยเราก็ต้องแสดงว่าเราไม่มีตัณหาไม่ได้ทําเพื่อตัณหาอย่างน้อยก็ต้องรักษาศีลแปดกัน ไม่ใช่ไปรักษาศีลห้าแล้วก็หรือบางทีศีลห้าก็ไม่ได้รักษารักษาได้บ้างรักษาไม่ได้บ้างแล้วก็ไปอ้างว่าไปทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่ออะไรต่างๆก็าตามถ้าทำอย่างนี้ก็ถูกโมหะอวิชชาหลอกไปเท่านั้นเองอันนี้ก็ไม่ได้ตาเนติดเตียนว่ากล่าวใครทั้งนั้น เป็นเรื่องของธรรมะที่มันออกมาตามกระแสของมันตามเหตุตามผลของมันก็พูดไปเพื่อให้ได้มีข้อคิดเพื่อจะได้แก้โมหะอวิชชาเกือมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะได้ให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วจะได้กลับไปในทางที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านสอนให้นำไปปฏิบัติกัน ดูท่านเป็นตัวอย่างท่านก็มีพ่อมีแม่มีลูกเหมือนกันฮมีทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของเหมือนกันทําไมท่านไปในทางทานศีลภาวนาได้พวกเราที่มีพ่อมีแม่มีลูกมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองทําไมเราไปกันไม่ได้ถ้าเราใช้เหตุผลพิจารณากันเราจะได้เห็น ข้อบกพร่องของเราแล้วเราจะได้แก้ไขมันปรับการเดินทางของเราให้ไปในทางของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ถ้าเราอยากจะได้ผลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้รับเราก็ต้องปรับการเดินทางของเราให้เป็นไปในทางเดียวกับของพระพุทธเจ้า ลนของพระอาหลานตสาวกถ้าการเดินทางของพวกเราเป็นทางเดียวกันจุดหมายปลายทางก็ต้องเป็นจุดหมายปลายทางอันเดียวกันก็คือมรรคผลนิพพานนี่คือเรื่องของเหตุและผลเหตุเกิดจากการดำเนินชีวิตของเราผลก็คือมรรคผลนิพพานถ้าเราเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเดินกันไปถ้าเราเดินไปในทางตรงกันข้ามกับของพระพุทธเจา้ากับของพระอาหารหันตสาวก ค, คือเราเดินไปสู่ราบยศรรเสริญไปสู่ความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายกันจุดหมายปลายทางของพวกเราก็คือวัดตะังสาระนี้เองสังสารวัต คือวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดวัตตะแห่งการเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นกองทุกข์อันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่ากองทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี้ต่อให้มีไฟเผาโลกทั้งโลกนี้ไปความทุกข์ของไฟที่เผาโลกนี้ยังสู้ความทุกข์ของวัตตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราไม่ได้ พอเราเวียนไหวตายเกิดกันเป็นแสนล้านหรือล้านล้านชาติมันมากมายกายกองอย่างที่กคอยเปรียบเทียบให้ฟังน้ำตาที่พวกเราได้หลังในแต่ละพบแต่ละชาติถ้าได้สะสมมารวบรวมกันไว้แล้วจะมีมากกว่าน้ำในมาหาสมุทรเองนั่นแหละคือความทุกข์ที่พวกเราได้ประสบพบกันมา และจะประสบพบกันต่อไปอีกถ้าเรายังเดินไปในทางที่สวนกับทางของพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกคือทางสู่ลาบยศสละเสริญทางสู่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ดังนั้นเราควรที่จะขวนขวายตะเกียกตะกายพยายามดบงตัวเราออกจากทาง ไปสู่ราบยศสารเสริญสุขเดิงตัวเราให้เข้าสู่ทางของทานศีลภาวนากันพยายามทําทานอย่างสม่ําเสมอแล้วทําให้มากขึ้นไปตามลําดับเช่นเดียวกับการรักษาศีลพยายามรักษาศีลให้ได้มากทําอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอทําให้มากขึ้นไปตามลําดับ เช่นเดียวกับการบำเพ็ญจิตตะภาวนาสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็ต้องเพียนบำเพ็ญไปอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและเพียนให้มีมากขึ้นไปตามลำดับจนเต็มเปี่ยมของความสามารถของพวกเราทำทานให้ทาทานรักษาศีลภาวนา ให้ได้เต็มที่เต็มร้อยอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายท่านได้บําเพ็ญกันอถ้าได้บําเพ็ญแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันตาสาวกผลก็จะได้เหมือนกันอย่างแน่นอนตอนนี้ผลไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตาสาวกได้กันก็เพราะว่าเหตุคือการบําเพ็ญนั้นไม่เท่ากันนั่นเอง ท่านบำเพ็ญเต็มร้อยแต่เราบำเพ็ญเพียงร้อยละสิบเนี่ยแล้วผลมันจะได้เต็มร้อยได้อย่างไรผลมันก็ได้เพียงร้อยละสิบเท่านั้นเรื่องของเหตุของผลนี้เราก็ยอมรับกันเอาเงินไปฝากสิบบาทกับเอาเงินไปฝากร้อยบาทที่จะเอาดอกเบีย้ยเท่ากันนี้ทางธนาคารเขาไม่ยอมให้หรอกถ้าเขาให้เขาก็เจ๊งเท่านั้น เขาจะไปอยู่ได้อย่างไรฝากสิบบาทแต่จะขอดอกร้อยบาทอย่างนี้ไม่มีธนาคารไหนเขาให้เราให้เขาก็หมดเนื้อหมดตัวเขาก็ต้องปิดกิจกรรมกิจการลงไปเท่านั้นเองพวกเราต้องดูที่เหตุกันถ้าเราอยากจะได้ผลดูที่เหตุเป็นหลักว่าเหตุของเรามันเท่าไหร่กันผลของเรามันจงได้เท่านั้นเหตุมันร้ยละสิบ ทำทานรักษาศีลภาวนาร้อยละสิบแล้วจะไปเอาผลร้อยละร้อยมันได้อย่างไรจะไปเอามรรคผลนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกได้อย่างไรมันก็ได้แค่ร้อยละสิบเท่านั้นเองทำทานรักษาศีลภาวนาร้อยละสิบนี้ก็อาจจะได้ไปสวรรค์ไปแป๊บเดียวก็ต้องกลับลงมาแล้วเพราะน้อยเหมือนกับไปอยู่โรงแรม มีเงินไม่กี่บาทจะไปอยู่เป็นเดือนได้อย่างไรพระเงินหมดเขาก็เชิญออกแล้วเขาไม่ให้อยู่ต่ออันใดเวลาที่เราตายไปแล้วเล่าได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆเราจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่การบำเพ็ญทานศีลภาวนาของพวกเรานี่ถ้าบำเพ็ญเพียงร้อยละสิบก็อยู่ได้เดียวๆแต่อยากจะอยู่ได้นานก็ต้องบาเพ็ญมากกว่านั้นต้องทามากกว่านั้นต้องให้มากกว่านั้น ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้มากกว่านั้นต้องภาวนาได้มากกว่านั้นเอผลจึงยาวมากกว่านี่เป็นเหตุผลที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงท่านเรียกท่านจึงเรียกว่าอากาลิโกทําทำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นสวากขาโตพระกตาธมโมเอคือเป็นธรรมที่ตัดไม่ชอบแล้ว ชอบด้วยเหตุด้วยผลนี่เองถูกต้องตามเหตุตามผลและเหตุผลที่ได้ทรงแสดงไว้นี้ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปตามการตามเวลาเหตุผลที่เป็นอย่างไรในสมัยพระพุทธการเหตุผลนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนกันทำสิบก็ต้องได้สิทธถ้าทำร้อยก็ได้ร้อย ไม่ใช่สมัยนี้ทำสิบได้น้อยอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการพัฒนาของทางโลกที่เดี๋ยวนี้สามารถทำอะไรได้มากกว่าสมัยก่อนเช่นการเดินทางสมัยก่อนเดินทางจากที่นี่ไปกรุงเทพอาจจะใช้เวลาวันสองวันสมัยนี้สามารถไปได้เพียงในระยะเวลาสองสามชั่วโมง แต่ น, นี่ไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ได้เป็นเหตุของการบำเพ็ญและการได้รับผลจากการบำเพ็ญการบำเพ็ญก็ยังเหมือนเดิมอยู่ทำทานรักษาศีลภาวนาอยู่เหมือนในสมัยพระพุทธการต่อให้นั่งรถไปทำทานมันก็ไม่ได้มากไปกว่าเดินไปทำทานสมัยพระพุทธการเดินไปวัดไปทำทานร้อยละสิบก็จะได้ผลรอละสิสมัยนี้นั่งรถมาทาทานร้ยละสิบ ผลก็ได้ร้อนละสิเหมือนกันต่างกันตรงเวลาเวลาที่เดินทางไปวัดถ้าเดินด้วยเท้าอาจจะใช้เวลาที่ยาวกว่านานกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลมากกว่าการที่เดินทางด้วยรถยนต์ที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็ถึงจุดหมายปลายทางดัง น, นั้นอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปคิดว่า สมัยนี้เหตุผลสมัยนี้มันต่างกับเหตุผลสมัยพระพุทธการบางคนก็คิดว่าปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาคอยอบรมสั่งสอนไม่มีพระอาหารหันตสาวกมาคอยอบรมสั่งสอนก็พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงฝากไว้ทรงสั่งไว้ว่าเป็นศาสดาแทนพระ พระองค์พวกเราจะไม่ได้อยู่ปราศจาาพระศาสดาไม่ได้อยู่ปราศาจากครูบาอาจารย์เพราะพวกเรามีธรรมวินัยที่ทรงตัดสอนไว้ชอบแล้วคือสวากขาโตภะวตาธรรมนหละที่เป็นอาการลิโกที่เป็นสิ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสื่อมสลายเป็นเหมือนกับยารักษาโรคที่ไม่มีวันหมดอายุ สามารถใช้รักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้ทุกยุคทุกสมัยไม่เหมือนกับยารักษาโรคทางร่างกายที่ยังมีวันเสื่อมวันหมดอายุถ้าเสื่อมแล้วหมดแล้วรับประทานเข้าไปแล้วจะไม่สามารถรักษาโาครคภัยไข้เจ็บได้แต่สวาขาโตพระกัตาธรรมโอคือธรรมที่ตัดไว้ชอบของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นอากาลิโก จะไม่เสื่อมไปตามการตามเวลาสามารถยังประโยชน์ให้ผู้ปฏิบัติได้มนรู้ถึงผลได้อย่างเดียวกับในสมัยพระพุทธการขอให้พวกเราทุ่มเทศรัทธาและความเพียรให้กับการศึกษาและกับการปฏิบัติเทอพยายามดึงตัวเราออกจากความหลงกัน ออกจากการเดินทางไปสู่ลาบยศสรเสริญไปสู่ความสุขทางตางหูจมูกนิ้นกายกันให้เดินทางไปสู่ทางของทานศีลภาวนากันให้ทำทานให้มากขึ้นไปตามลำดำับควรจะเปรียบเทียบเมื่อสิบปีก่อนเราทำทานเท่าไหร่สิบปีนี้หลังสิบปีผ่านไปแล้วเราทำทานได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่เมื่อก่อนทำร้อยละสิบ เดี๋ยวนี้ยังทำร้อยละสิบอยู่หร like Ensuite, right. right. ือฝปกรักษาศีลเมื่อก่อนนี่รักษาศีลได้ร้อยละสิบเดี๋ยวนี้ยังรักษาศีลร้อยละสิบอยู่หรือเป่าเมื่อก่อนภาวนาได้ร้อยละสิบเดี๋ยวนี้เรายังภาวนาร้อยละสิบอยู่หรือเปลให้ดูตรงเหตุถ้ายังร้อยละสิบอยู่ผลมันก็ยังร้อยละสิบอยู่นั่นนะมันจะให้เป็นร้อยได้อย่างไรถ้าเหตุมันไม่เป็นร้อย ถ้าเมื่อก่อนนี้ร้อยละสิบวันนี้ร้อยละร้อยอย่างนี้สิถึงจะน่าฟังเมื่อก่อนเคยทำทานร้อยละสิบอย่านี้ได้ทำทานร้อยละร้อยคือมีเท่าไหร่ก็ให้หมดบรยจากให้หมดไม่มีเงินทองหลงเหลือติดตัวอยู่แล้วอยู่แบบนักบวชแล้วอยู่ด้วยการให้ของผู้อื่นแล้วนี่คือการทำทานร้อยเต็มร้อย แบบที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตาสาวกทั้งหลายได้ทำกันท่านทำร้อยเต็มร้อยท่านไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไว้ซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารซื้ออะไรต่างๆแล้วท่านอยู่แบบผู้ขอแล้วอยู่กับการให้ของผู้อื่นแล้วเช้าท่านก็ถือบาตรเข้าไปในบ้านไปรับบาตรไปบิณฑบาตได้อะไรมา ก็ยินดีตามมีตามเกิดรับประทานไปเพื่อให้ร่างกายพออยู่ได้ก็พอแล้วไม่ได้รับประทานเพื่อให้เกิดความสุขซึ่งเป็นการรับประทานแบบตันหาความอยากที่จะผูกมัดให้จิตใจยังต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ผู้ที่ปรารถนาที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการว่ายเวียนว่ายตายเกิดต้องรับประทานแบบ อย่ารับประทานด้วยความจำเป็นด้วยความจำใจรับประทานรับประทานเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้รับประทานเพื่อให้มีความสุขจากการรับประทานถ้ารับประทานเพื่อความสุขก็เรียกว่าเป็นการมาสุขเป็นการมะตัณหานี่คือลักษณะของการบาเพ็ญของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ท่านบำเพ็ญกันเต็มร้อยทานท่านก็ให้เต็มร้อยศีลท่านก็รักษาเต็มร้อยรักษาตลอดเวลายกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้นเวลาตื่นขึ้นมาท่านก็มีสติระมัดระวังคอยดูการกระทัทางกายทางวาจาไม่ให้ไปกระทบไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนความเสียหายให้กับผู้อื่นและกับตนเองเรว่าการรักษาศีล แล้วท่านก็ บ, บำเพ็ญจิตตภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับตื่นตาขึ้นมาก็จเจริญสติตั้งสติพุทธบริกรรมพุทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายไปไม่ปล่อยให้ใจเคิดเลืยเปื่อยคิดไปในทางความโลภความโกรธความหลงคิดไปในทางความอยากต่างๆพอควบคุมใจด้วยสติได้ เวลานั่งสมาธิใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้เวลาใจสงบความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็สงบลงสงบตัวลงไปใจก็เย็นสบายมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแต่พอออกจากสมาธิมาใจก็จะเริ่มคิดปรุงแต่งต่อ แล้วก็ถ้าไม่ละมัดระวังไม่ควบคุมด้วยสติหรือด้วยปัญญาก็จะถูกกิเลสตัณหาลุ่มแล้วสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นต่อไปดังนั้นเวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องใช้สติหรือปัญญาทันทีถ้าใช้สติก็ควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางที่จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมา ถ้าใช้ปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่าการกระทำตามตันหาความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับตนเองเพราะสิ่งที่อยากได้ก็เป็นของที่เป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปเวลาไม่ได้ เป็นไปตามความต้องการก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาถ้าใช้ปัญญาก็จะสามารถทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ถ้าใช้สติก็เพียงแต่กดมันไวอย่างนั้นเป้าหมายที่แท้จริงหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วก็คือการเจริญปัญญาการเจริญให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา หรือถ้ามีการอารมณ์ก็ต้องเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามหรือถ้ามีความชอบรับประทานอาหารก็ต้องเห็นว่าอาหารนี้เป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกไม่น่าดูไม่น่าชมเวลาเข้าไปในปากสัมผัสกับน้ำลายถูกถูกฟันขบเคี้ยวถ้าคลายออกมานี้จะไม่กล้าที่จะตักกลับเข้าไปในปากอีก หรือเวลาอยู่ในท้องอาเจียนออกมาหรือเวลาถ่ายออกมาทางทวารหนักนี่คือการดูภาพที่ไม่น่าดูไม่งามไม่น่ารับประทานของอาหารที่ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารคลา่งไครหลงไหลกับการรับประทานอาหารมองไม่เห็นถ้าเห็นภาพเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าจะหายหลงจะหายคลั่งไคล้กับการรับประทานอาหารจะรับไปเพื่ออยู่ เท่านั้นเองไม่ได้รับประทานด้วยความมันด้วยความอร่ออร่อยด้วยความสุขใจเพราะนั้นมันเป็นความหลงไม่ใช่เป็นความจริงความจริงของการรับประทานอาหารนี้เป็นการเยียวยารักษาร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับการรับประทานยาไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่ก็คือปัญญาที่ผู้บาเพ็ญจะต้อง จเจริญให้มากหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาจเจริญปัญญาขณะที่อยู่ในสมาธิเป็นเวลาสร้างพลังคือความสงบความเป็นอุบเบกขาที่จะใช้ต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วออกจากสมาธิมาแล้วมีอุบเบกขาก็จะสามารถ ดึงใจให้มาพิจารณาตายรักได้ดึงใจให้มาพิจารณาอาสุภะได้ดึงใจให้มาพิจารณาอาหาเรเลปฏิกูละสัญญาได้มาพิจารณาความแก่เจ็บตายได้พิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้ถ้ามีอุเบกขาแล้วใจจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะจะไม่หิวกับอารมณ์ต่างๆที่ จะมาฉุดลากจิตใจให้ไปเสพกันก็ะจะสามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่องถ้าพิจารณาบ่อยๆได้อย่างต่อเนื่องก็จะจดจาได้จะฝังอยู่ในใจจะกลายเป็นปัญญาขึ้นมาไม่ใช่เป็นสัญญาถ้าไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องก็จะจางหายไปก็จะกลายเป็นสัญญาไป <c oughs> ปัญญาต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาเกิดปัญหาจะได้แก้ได้ทันท่วงทีนั่นเองถ้าไม่มีอยู่ตลอดเวลาเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาจะแก้ไม่ได้แก้ไม่ทันเหมือนกับนักรบในสมรภูมินี้เวลานอนหรือเวลารับประทานนี้ต้องกอดปืนนอนไปด้วยรับประทานไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าเวลาใดข้าศึกสัตรูจะ จะบุกรุกเข้ามาเมื่อไรถ้าไปวางไว้ที่อื่นเวลาเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นมาจะคว้ามาไม่ทันการนั่นเองจะต้องอยู่ติดคู่ไปกับกายเลยฉันใดปัญญาก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องอยู่คู่กับใจตลอดเวลาพอเวลาเกิดตัณหาปรากฏขึ้นมาก็สามารถใช้ปัญญาทำลายได้ทันท่วงทีถ้าไม่อยู่ใกล้พอถึงเวลาก็ คว้าหาไม่เจอพอตันหาเกิดขึ้นมาแทนที่จะฆ่าตันหากลับไปทําตามยกธงขาวยอมแพ้สั่งให้ทําอะไรทําตามทันทีสั่งให้ไปดื่มก็ดื่มทันทีสั่งให้ไปดูก็ดูทันทีสั่งให้ไปรับประทานก็รับประทานทันทีสั่งให้ไปรับไปหลงก็ไปทําทันทีก็เลยไม่มีวันที่จะสามารถทําลายตันหาให้หมดไปจากใจได้ ถ้าไม่หมั่นพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่หมั่นพิจารณาอสุภะไม่หมั่นพิจารณาอาหารในปฏิกู ล, ละสัญญานี่คือการเจริญปัญญาต้องเจริญหลังจากที่ได้ออกจากสมาธิมาแล้วขณะที่อยู่ในสมาธิขณะจิตที่นิ่งสงบอยู่นี้ไม่ให้ทําอะไรทั้งนั้นให้ประครับประคองความสงบด้วยด้วยสติ ให้อยู่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าจะถอนออกมาถ้ายังมีกำลังสติสามารถดันกลับเข้าไปใหม่ได้ก็ทําต่อไปอย่าเพิ่งออกมาให้อยู่ไปนานๆเพื่อจะได้มีกำลังอุเบกขามากๆและพอออกมาจะได้สามารถดึงใจมาพิจารณาทางปัญญาได้และสามารถต่อสู้กับตันหาความอยากต่างๆ ท, ท, ที่เกิดขึ้นมาได้ หลังจากออกมาแล้วถ้าได้พิจารณาจนแรงของอุเบกขาหมดแล้วการพิจารณาไม่เป็นไปทางไปรักทางปัญญาแล้วเริ่มโรเลออกไปทางเิเรตันหาก็ควรที่จะหยุดการพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาในสมาธิทำใจให้สงบดึงกาลังอุเบกขาให้กลับพื้นคืนขึ้ น, นมาใหม่นี่คือการบาเพ็ญของการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา ต้องทำสลับกันไปหลังจากที่ได้ส ม, มถะภาวนาแล้วถ้าในเบื้องต้นยังไม่ได้ส ม, มถะภาวนาก็พยายามเจริญส ม, มถะภาวนาให้มากไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่มีส ม, มถะภาวนาไม่มีอุเบกขาภาวนาการเจริญปัญญาการเจริญวิปัสสนาภาวนานี้จะเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยจึงต้องพยายามสร้างส ม, มถะภาวนาขึ้นมาก่อน ให้จิตมีความสงบมากๆ ม, ม, มีอุเบกขามากๆแล้วพอออกมาสามารถบังคับจิตให้พิจารณาทางปัญญาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะหมดกำลังของอุเบกขาแล้วค่อยกลับเข้าไปเติมพลังใหม่สลหรับทำกันไปอย่างนี้ไปจนกว่าจะสามารถสร้างปัญญาให้ได้เต็มร้อย ที่สามารถที่จะทําลายตันหาความอยากต่างๆได้ทันท่วงทีให้หมดไปจากใจเมื่อตันหาได้ถูกทําลายหมดไปจากใจแล้วงานบำเพ็ญจิตตภาวนาก็ถึงจุดสิ้นสุดลงเหมือนกับการรักษาโรคภัยแค่เจ็บด้วยหยูกด้วยยาพอโรคภัยแค่เจ็บหายแล้วหยูกยาก็ไม่ต้องให้ต่อไปอไม่มีความจาเป็นจะต้องให้ ผู้ที่สามารถทำลายตัญหาให้หมดไปจากใจได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อไปเช่นพระพุทธเจ้าพระอรันตสาวกท่านไม่ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาหลังจากที่ท่านได้บรรลุถึงพระ น, นิพพานแล้วท่านเพียงแต่ภาวนาไปเพื่อเป็นการพักผ่อนและของธาตุขังและจิตท่านนั่นเองไม่ได้ทำไปเพื่อบำบัดกาจัดตันหาความอยาก กำจัดความทุกข์ต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกกำจัดหมดไปแล้วนั่นเองนี่แหละคือทางของพระพุทธเจ้าทางของพระอรหันตสาวกและจุดหมายปลายทางที่มหัศจั ร, ร์ที่สุดของโลกนะอยู่ในการบําเพ็ญทานศีลภาวนานี้เองอยู่ในการที่เราได้มาพบกับสิ่งที่มหัศจรน์ที่สุดของโลก พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นขอให้พวกเรารีบฉวยโอกาสนี้รีบดึงเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้มาเป็นที่พึ่งของพวกเราให้มาสร้างสิ่งมหัศ จ, จรรย์ให้แก่พวกเรากันเถิดอย่ามัวไปหลงกับการหาราบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเลยเพราะจะทําให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อนอยาทาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากะลังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานาังอุปปกักปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจตุ สัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะามณิโชติอาโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีพายุโกภวะอภิวาทนสีฤิธสังวุทธาปจายิโน จตารโหธมาวทานติอายุวันโสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามขอความกรุณาถามในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบคำถาม ตอนนี้มีใครอยากจะถามถามได้กันอย่างเต็มที่ถามจนกระทั่งไม่มีคำถามคำถามจากคุณโคโค่นัทแบ๊กหลังออกมาจากปฏิบัติธรรมแนวเจริญสติปัฏฐานสี่ประมาณห้าวันพอกลับมาถึงบ้านมีอาการดับบ่อยๆคือความรู้ตัวทั้งหมดเลยดับเหมือนปิดเปิดไฟเร็วๆ เกิดขึ้นเกือบทุกวินาทีทุกจังหวะที่จะทำอะไรเช่นจะคิดดับจะจับช้อนดับจะยกช้อนเข้าปากเคี้ยวหรือแม้แต่ตอนจะก้าวเท้าแต่ละก้าวจะมีอาการดับวับขั้นตลอดแรงมากและเบาและห่างลงในวันที่สองก่อนจะเริ่มหายจากอาการนี้ได้ในวันถัดไป กราฟผูอาจารย์อธิบายให้ความรู้ในสภาวะนี้คืออะไรและแนะนำทางในการปฏิบัติต่ออาการแบบนี้เพราะตอนนั้นที่ทำก็คือตั้งสติที่จะพยุงตัวพยายามมีความรู้ตัวให้มากกังวลที่จะล้มหรือของในมือจะตกเพราะต้องใช้ชีวิตในการทำงานปกติค่ะก็ให้รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องไปสนใจว่าทาไมมันถึงเป็นอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็พิจารณาให้ว่ามันก็เป็นตายักไปคือมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเราก็อย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปวุ่นวายไปกับมันมันเป็นอย่างนี้ก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นก็เท่านั้นเองถ้าเรามีสติมีปัญญามันก็จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาก็จะเกิดความสงสัยเกิดความวุ่นวายใจต่างๆตามมาก็ได้เช่นอยากจะไม่ให้มันเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่อยากมันเป็นมันก็เป็นเวลามันจะหายมันก็หายแ้นให้รู้ตามความเป็นจริงของมันมันเป็นก็รู้ว่ามันเป็นมันไม่เป็นก็รู้ว่าไม่เป็นเท่านั้นเองอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่น แล้วก็จะไม่เป็นปัญหาอย่างไรคำถามจากคุณเต้ชัยนันมีเพื่อนบ้านครอบครัวหนึ่งพ่อเสียชีวิตเหลือแต่แม่กยายและลูกชายหนึ่งคนลูกชายกินเหล้าเมามายทุกวันด่าว่าแม่เหมือนไม่ใช่มนุษย์บังคับเข็นใจแม่และยายทุกวันไม่ได้อะไรตามใจก็จะขู่ฆ่าจ ะ, าจะตีทำร้ายข้าวของแม่เขาได้แต่มาเล่าเพื่อระบายทุกข์ จะตักเตือนลูกชายก็ว่าก็ขู่ด้วยกลัวว่าลูกชายจะทำร้ายก็เลยต้องข่มใจทำทุกอย่างแม่เขาควรทำอย่างไรดีถึงจะพ้นทุกข์ด้วยความสงสารกระผมจึงหาวิธีช่วยโดยถามจากเพจจากเพจต่างๆเพื่อช่วยอะไรได้ตอนนี้ผมคิดแค่ว่าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านจะช่วยอย่างไรเท่านั้นเองผมขอความเมตตาเพื่อดับทุกข์ด้วยครับ ก็ต้องทำใจนะถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนให้เขาดีไม่ได้เราก็เปลี่ยนใจเราให้ดีได้เปลี่ยนใจของเราจากทุกข์ให้เป็นสุขได้ด้วยการยอมรับกับสภาวะของเรายอมรับว่ามันเป็นวิบากของเราที่จะต้องมีลูกแบบนี้ที่จะต้องมีชีวิตแบบนี้อย่าไปอยากให้มันหายไปเมื่อมันไม่สามารถหายไปได้ตามความอยากของเรา ก็จะทุกไปเปล่าๆก็คือสรุปง่ายๆก็คือต้องทำใจต้องถือว่าเป็นกรรมของเราก็ต้องรับใช้กรรมต่อไปถ้ายอมรับใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขกับความกับวิบากรรมของเราได้คำถามจากคุณจักรวาลและคุณพนมเราจะสังเกตยอย่างไร ว่าอารมณ์และจิตของเราเหมาะกับกรรมฐานกองไหนครับก็ลองลองไปดูก็แล้วกันนะครับเอาของง่ายๆก็พุโทโธไปก่อนเอพุโทโธไปถ้าพุโทโธไม่ได้ก็ลองดูเฝ้าดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกายถ้าไม่ได้ก็ลองมรณาวนุสติคิดถึงความตาอยู่เรื่อยๆหรือถ้าเวลานั่งก็ดูลมหายใจเข้าออก ก็มีวิธีหลากหลายวิธีที่ผู้ปฏิบัติก็สามารถเลือกทดลองใช้ได้ตามจริตของตนถ้าท่านก็บอกว่าถ้ามีโทสะก็ให้เจริญเมตตาถ้ามีกามอารมณ์ใกล้เจริญอสุภะถ้ามีความหลงก็ให้ใช้ปัญญาใช้ใจรักพิจารณาด้วยายรัก อันนี้จังทุกขังอนัตตายัางก็ต้องอยู่กับภาวะจิตของเราที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ถ้าเวลากโกรธนี้ไปเจรณาสุภาก็แก้ไม่ได้เหมือนเวลาที่ปวดหัวแล้วไปกินยาแก้ปวดท้องมันก็ไม่หายต้องรู้ว่าตอนนี้เราเป็นโรคอะไรแล้วต้องใช้ยาชนิดไหนรพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วว่าให้ใช้เมตตาระงับความโกรธ ให้ใช้อสุอสภาพระงับงับความากามอารมณ์ความอยากเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนอยากมีแฟนกับคนนั้นคนนี้ก็ให้ดูอสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายของเขาอย่าดูของเราของเรามันไม่มีปัญหาเราไปเป็นปัญหากับร่างกายของใครก็ต้องดูร่างกายของเขาว่าไม่สวยไม่งาม ถ้ามีความหลงก็พิจารณาปัญญาพิจารณาตายรักณทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วก็ต้องดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็จะหายหลงได้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เหตุการณ์ที่มาลมเล่าลมเล่าจิตใจแต่ถ้าจิตใจเป็นปกติก็สามารถใช้กรรมฐานแบบทั่วไปได้เช่นการบริกรรมพุโทโธ ถ้าไม่ชอบบริกรรมพุทโธก็ดูการเคลื่อนไหวการกระทาต่างๆของร่างกายให้ใจจดจอ่อเฝ้าอยู่เฝ้าดูการกระทาเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเช่นกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินเช่นก้าวเท้าซ้ายไปก็ว่าซ้ายเท้าก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปกำลังรับประทานอาหารก็ว่าไปจะว่าก็ได้แล้วจะดูก็ได้ กำลังตักข้าวกำลังป้อนข้าวเข้าไปในปากกำลังเคี้ยวกำลังกลืนเนี่ยให้เฝ้าดูทุกอิริยาบถของการทำงานของร่างกายไปอย่าให้ใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะมีสติเมื่อมีสติเวลานั่งถ้าใช้การดูร่างกายก็ให้ดูที่ลมหายใจต่อไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ใจ ลมหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นยาวก็รู้ว่ายาวอยากก็รู้ว่าอยากละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมหายไปก็รู้ว่าหายไปให้รู้เฉยๆอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปเกิดความวิตกวิจารณขึ้นมาแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาคำถามจากคุณนุชการทำงานในปัจจุบันต้องพบเจอบุคคลที่เอาเปรียบเลื่อยมา ไม่ว่าจะมาจากเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะทำงานที่ใดบางครั้งถูกเจ้านายสั่งให้ทำบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเจ้านายระบุแค่ว่าผมสั่งแล้วคุณจะต้องทาหรือบางงานไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมโดยที่เราเองก็ไม่อยากทำไม่อยากผิดศีลห้า อยากจะลาออกไปแต่ก็พบเจอเหตุเช่นนี้ในแทบทุกที่ในที่ทำงานจะต้องทำอย่างไรเมื่อพบเจอเจ้านายเช่นนี้หรือระบบงานเช่นนี้เรื่อยๆไปเจ้าคะถ้าอยู่กับเขาไม่ได้ก็ต้องย้ายไปไปอยู่ที่อื่นไปหาเจ้านายที่มีศีลมีธรรมเจ้านายที่มีศีลมีธรรมก็อยู่ตามวัดตามวาต่างๆไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนไปอยู่กับหลวงปู่ห้งตาหลวงพ่อเนี่ ท่านจะสอนให้ทำแต่รักษาศีลให้แต่ปฏิบัติธรรมก็เราเลือกไปอยู่กับคนไม่ดีแล้วมานั่งบน่นทำไมคำถามจากคุณอ น, นิจังผมอยากเข้าใจแบบคร่าวๆเกี่ยวกับบุคคลที่ควรสร้างสถูไว้บูชาว่าทำไมจึงต้องมีพระเจ้าจากักรพรรดิรวมอยู่ด้วยเพราะในความเข้าใจส่วนตัวแล้วพระเจ้าจากักรพรรดิยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันครับ เลือกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในสมัยพระพุทธกาลนี้เขาจะบรรจุอัถิของผู้ที่เป็นคนที่ถือว่าเป็นคนยิ่งใหญ่ของโลกด้วยของธรรมเช่นเขาจะานิยมบรรจุอัถิของพระพุทธเจ้าของพระประเจกับพุทธเจ้าของพระอาหารหันต์และของพระมาหาจักรพรรษ พระมหาจักรพรรดนี้ทางโลกเขาก็ถือว่าเป็นสุดยอดของมนุษย์เหมือนกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกก็เป็นธรรมเนียมที่เชื่อกันมาและปฏิบัติกันมาเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปเปรียบว่าพระมหาจากัจากรพรรดนี้เป็นพระอาหารหันต์แต่อย่างใดแต่ในทางโลกเขาถือว่าเป็นบุคคลที่สุดยอดของของมนุษย์ในทางโลก พระพุทธเจ้ากับพระาานี่ท่านก็ถือว่าเป็นสุดยอดของทางธรรมก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกันได้เลยมีการปฏิบัติคล้ายเคงกันให้เกียรติให้ความเคารพเท่ากันคำถามจากคุณพวงพรจิตใจของลูกไปวิตกกังวลกับความสวยงามคือกังวลไม่อยากให้แก่ เนื่องจากทำงานเป็นแอร์โฮสเตสแต่อีกจิตหนึ่งก็พยายามดึงกลับต่อสู้กับกิเลสภายในพยายามเอารูปศพขึ้นอื่นเน่าเปื่อยมาดูและพยายามมองให้เห็นว่าไม่มีอะไรน่าดูเราตายก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันแต่ก็ยังสู้กิเลสไม่ได้อยู่ดีเลยพยายามวางเฉยกับกระแสพุ่งผลานในความไม่อยากแก่ ความรู้สึกนั้นก็จางไปมันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะขอเมตตาหลวงพ่อให้อุบายธรรมแก่ผู้ที่ยั ง, งโง่เขาเช่นลูกด้วยค่ะที่ทำใจไม่ได้ก็อย่างที่ได้เทศไว้เมื่อกี้เพราะไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขามีปัญญาแต่ปัญญาไม่สามารถที่จะสู้กับกำลังของกิเลสความรักความสวยความงามได้ เพราะฉะนั้นต้องกลับมาสร้างสมถะสร้างอุเบกขาต้องมาดำเนินสมถภาวนาทําใจให้สงบถ้าใจรวมเป็นอัปปนาได้แล้วพอพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็จะรับได้อย่างสบายจะไม่มีความอยากไม่แก่ไม่สวยเลยเพราะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยากไปก็จะทุกข์ใจไปเปล่าๆตรงได้ ที่ปลงไม่ได้เพราะไม่มีกําลังปลงไม่มีอุเบกขาอย่างที่เมื่อกี้ที่พูดว่าพอําใจเฉยได้ก็รู้สึกสบายขึ้นมาออนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเฉยไม่ได้นานเดี๋ยวพอกับเผลอ ก, กับมาคิดถึงความสวยความงามอีกก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่เนีต้องพยายามเจริญสติเพื่อกําจัดความรักความสวยความงามความคิดที่จะคิดแต่เรื่องสวยเรื่องงามให้มันสงบลง ใจสงบมีความสุขแล้วก็จะยอมรับกับความไม่สวยไม่งามได้ตอนนี้ใจไม่สงบไม่มีความสุขเลยต้องพึ่งความสุขจากความสวยงามพอรู้ว่าจะต้องสูญเสียความสวยงามไปก็จะกลัวว่าจะสูญเสียความสุขไปด้วยแต่ถ้ามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วจะไม่ต้องอาศัยความสุขจากความสวยงามก็มันจะสวยไม่สวยก็จะไม่เป็นปัญหา เพราะยังมีความสุขได้เหมือนกับตอนที่สวยคือมีความสุขจากความสงบของใจเนี่ยความสงบเป็นบาทเป็นฐานเป็นกำลังของวิปัสสนาใครอยากจะใช้ปัญญาอย่างเดียวโดยไม่มีสมถะภาวนาไม่มีความสงบนีนก็จะไม่มีวันทำได้สำเร็จยอย่างั้นอย่ามองอย่าข้ามขั้นตอนไปพระพุทธเจ้าสอนศีล ส, สมาธิแล้วปัญญา เดีนี้สมัยนี้เขาข้ามสมาธิกันไปเพราะมันยากก็เลยไม่ต้องทํามันปัญญามันง่ายกว่าคิดปั๊บมันก็ได้แล้วปัญญาแต่มันเอาไปฟันกิเลสไม่ได้เท่านั้นเองมันเป็นจินตาไมยปัญญามันไม่ใช่เป็นภาวนาไมยปัญญาคําถามจากคุณซูซี่ภาวนาแล้วเห็นไใจ ร, รักมากขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นแต่ก็มีโทสะมากขึ้นปฏิบัติผิดหรือไม่คะ ทำไมถึงมีโทสะแรงขึ้นก็เพราะว่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นมันก็แรงถ้าเวลามันเกิดเราคอยกำจัดมันมันก็มันก็จะเบาลงการมีเห็นตายรักนี้เป็นเพียงมีเครื่องมือเท่านั้นเองต้องเอามากำจัดตอนที่เกิดเกิดโทสะวิธีจะกำจัดโทสะก็ต้องไปจำกัดกำจัดเหตุของโทสะเหตุของโทสะก็คือตันหาความอยาก อยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้พอไม่ได้ก็เกิดโทสะขึ้นมาก็ต้องมาหยุดความอยากให้ได้อย่างนั้นได้อย่างนี้ให้เอาตามมีตามเกิดไปอย่าไปมีความอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามมีตามเกิดไปถ้าเราปล่อยได้ไม่มีความอยากเราก็จะไม่มีโทสะตามมาดันั้นเรามีตายักแล้วแต่เราไม่เอามาใช้ เราต้องพิจารณาของต่างๆเหตุการณ์ต่างๆนี้เป็นไตลักษ์เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เพราะจะเกิดโทสะพอรู้อย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่มีโทสะมีมีไตลักษ์แต่ไม่เอามาใช้เหมือนกับมีมีดแต่ไม่เอามาฟันข้าวศึกศัตรูเก็บไว้เฉยๆข้าศึกศัตรูมันก็เลยออกมาเพ่นพ่านได้ โทสะก็มีมากได้ก็เพราะว่าไม่ไปกาจัดตัณหาความอยากดังนั้นพอเห็นมีตายรักแล้วต้องเอาตายรักไปหยุดความอยากต่างๆถ้ามีตายรักแล้วมีภาวนามีสมถะภาวนามีอุเบกขามันก็จะหยุดตัณหาความอยากต่างๆได้พอหยุดตัณหาความอยากได้ความโกรธก็จะไม่มีตามมาคำถามจากคุณสิริพรลูกนั่งสมาธิ แล้วไปถึงจุดที่ร่างกายหายไปรู้ว่าเราเหลือแค่จุดจุดหนึ่งเท่านั้นจะถึงแค่จุดนี้เท่านั้นไปต่อไม่ได้ลูกจะไปต่ อ, อยังไงคะเพราะถึงจุดจุดนี้จะนิ่งเมื่ออิ่มตัวจิตก็จะถอนออกมาไม่ไปไหนต่อคะ่ะ อ, อ๋อการนั่งสมาธิก็ให้ไปถึงแค่จุดนั้นเองให้ไปจุดที่มันนิ่งมันสงบมันว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆ แล้วมีอุเบกขาความนิ่งเฉยใจเป็นกลางปราศ จ, จากความรักชังกลัวหลงอันนี้ก็ถึงจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิแล้วถ้าอยากจะให้มันไปไกลกว่า น, นี้เวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องมาพิจารณาไตรักกันพิจารณาปัญญากันพิจารณาอาสุภะพิจารณาอาหาเลยปฏิกราสัญญาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ พิจารณาอาการ32เนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วมันจะก้าวต่อไปมันจะเกิดปัญญาแล้วมันจะสามารถทำลายตันหาความอยากต่างๆได้พอตันหาทำอยากต่างๆถูกทำลายไปความสุขก็จะมีมากขึ้นไปตามลําดับจนมีความสุขเต็มเปลี่ยนภายในหัวใจคําถามจากคุณท่าสี่ผมกําหนดลมหายใจพักเดียวจิตมันรวมลงที่หน้าผาก ผมควรทำอย่างไรครับผมเคยถอดจิตบนรถเม์อยากทราบว่ามันเกิดได้อย่างไรเพราะตอนออกและตอนเข้าก็ไม่รู้และวันนั้นได้พิจารณากายเห็นเส้นขนมันใหญ่ขนาดนิ้วมืออีกครั้งผมถอดจิตเห็นคนแต่หัวเป็นไก่การวางอารมณ์คืออย่างไรเวลาที่จิตวางอารมณ์ทำไมเราจึงไม่สามารถบังคับการแสดงนิมิตที่เป็นอยู่ได้ การสวดมนต์บ่อยๆเวนแล้วเวลาเราทํางานอะไรมักจะได้ยินเสียงสวดมนต์เสมออย่างไรคือจิตตั้งมั่นครับการภาวนาของเราเราไม่ได้ภาวนาด้วยสติมันก็เลยเป็นอย่างนี้ถ้าเราใช้สตินี้เราจะสามารถควบคุมสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาได้คือเราสามารถที่จะไม่ไปให้ความสนใจกับมัน แล้วเราจดจ่อสติของเราอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นการบริกรรมพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามันก็จะหายไปเองเพราะจิตจะเข้าเข้าไปข้างในลึกเข้าไปเรื่อยๆพอเข้าไปยิ่งลึกสิ่งต่างๆที่ปรากฏก็จะหายไปจนในที่สุดก็ไปสู่ความว่างไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ การภาวนาต้องมาเริ่มต้นที่สติกันต้องฝึกสติแล้วให้มีสติไม่ใช่ปล่อยให้จิตมันแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาร์แสดงอะไรต่างๆของมันตามตามภาวะตามกำลังของมันที่ที่มันมีอยู่เราต้องมาเริ่มต้นที่การเจริญสติควบคุมการเคลื่อนไหวของจิตอย่าปล่อยให้มันเคลื่อนไหวไปตามเรื่องตามราวของมัน เพราะเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับมันได้ถ้าเรามีสติเราจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวการปรากฏการต่างๆของจิตได้จะสามารถดึงจิตให้เข้าสู่ความว่างความสงบได้ตามลําดับต่อไปคําถามจากคุณวันคืนล่วงไปเราทําอะไรอยู่โยมอุปถาคที่เป็นผู้หญิงสามารถเก็บกวาดที่นอนเช็ดถูห้องของพระสงฆ์ได้ไหมครับ ถ้าไม่ได้กรณีแบบนี้ถ้ามีผู้ชายอยู่ด้วยจะทําได้ไหมครับผู้หญิงนี่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระมากไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเรื่องการเก็บกาดทําความสะอาดซัพจีวงซัพจีวรล้างบุกล้างบาศเรืออะไรที่เป็นของพระผู้หญิงไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้คนควรที่จะอยู่ห่างไม่ควรไปที่กุฏิพระเลย ตาที่วัดป่าบรรดานี้ท่านจะไม่ให้คารวะญาติโยมไปเยี่ยมพระที่กุฏิถ้ามีธุรให้มาที่ศาลามาพบปะกันที่ศาลาส่วนเรื่องการกวาดถูทําความสะอาดจระลึกกุฏิของพระนี้ท่านทํากันเองหรือถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ก็จะมีพระลูกพระผู้น้อยคอยอุปถัมภ์คอยดูแลให้ดันเรื่องของศีการหรือญาติโยมที่เป็นสุภาพสตรีนี้ ไม่ควรที่จะเข้าไปอทําภารกิจต่างๆของพระเลยไม่ควรเข้าไปในที่อยู่ที่พักของพระควรจะอยู่ที่ในที่สาธารณะเช่นที่สาธารค่ะคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามผู้มีพระคุณกับผู้มีบุญคุณเหมือนหรือต่างกันคะก็ต่างกันตรงภาษานะบุญคุณกับพระคุณมันก็ คววาามหมหยมยัันนนกก็อเดีแลคำถามต่อไปจากคุณนิกกี้หนูฝึกกรรมฐานโดยวิธียุคหน่อพองหนอมาส4ถึงี่ปีได้ผลดีค่ะแต่อาจารย์ที่สอนบอกว่าวิธีนี้เป็นการฝึกสติตอนนี้ลองมาพุทธโทของหลวงปู่วิริยังท่านสอนว่าเป้าหมายเป็นการฝึกสมาธิหนูเลือกวางถังจิตไว้ที่กลางหน้าผาก คำถามข้อแรกเคยได้ยินพระอาจารย์เทศว่าเมื่อเรามีสติแล้วสมาธิจะเกิดนั่นหมายความว่าเราควรมุ่งเน้นการฝึกสติโดยสติปัฏฐานเมื่อได้ผลดีแล้วจึงเริ่มฝึกสมาธิหรือเปล่าคะคือการเจริญสตินี่มีวิธีหลากหลายด้วยกันพุทโธนี่ก็เป็นการเจริญสติวิธีหนึ่งยุกหนอพองหนอก็เป็นการเจริญสติ การดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นการเจริญสติทั้งนั้นและผลก็คือจะเป็นสมาธิต่อไปองั้เวลาคนก็มาพูดว่าเราทําอย่างนี้เป็นการเจริญสติก็ใช่แต่การเจริญสติแล้วมันก็จะเป็นสมาธิสติเป็นเหตุสมาธิจะเป็นผลไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามยุบหนอพองหนอดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธ หรือดูดวงแก้วดวงไฟอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเมื่อเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบก็เรียกว่าเป็นสมาธิไปข้อที่สองการวางฐานจิตไว้ที่หน้าผากตอนเดินจงกรมและนั่งสมาธิรู้สึกร้อนวูบวตึงๆงที่ฐานจิตหนูปฏิบัติถูกไหมคะ คือการภาวนาไม่ว่าจะวางจิตไว้ตรงไหนเป้าหมายก็คือให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนให้มันสงบให้มันสบายถ้าเดินนี่บกติท่านจะดูที่การเดินเป็นหลักหรือดูการที่ถ้าบริกรรมพุทโธก็ให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไม่ต้องไปตั้งไว้ที่ไหนเพราะงั้นให้อยู่ตั้งไวอทท้อยู่กับคำบริกรรมเช่เราพุทโธเราก็อยู่กับคาบริกรรมไปไม่ต้องไปตั้งอยู่ที่ กาศรศีรษะหน้าผากหรือที่ไหนก็ตามให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธถ้าเดินจงกรมก็ถ้าจะใช้ร่างกายก็ดูที่เท้านี่แหละซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วถ้าทำอย่างนี้จิตก็จะว่างจะเย็นน่าจะสบายถ้าทำแบบที่ทำนี้มันเป็นการทำหลายเรื่องโดยใช่เหตุเอาจิตไปวางไว้ที่หน้าผากแล้วก็มาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธ มันก็เลยไปอยู่สองที่อยู่ที่พุทธโธแล้วไปอยู่ที่หน้าผามันก็เลยงงว่าไม่รู้ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนดีมันก็เลยร้อนขึ้นมายันให้อยู่ที่เดียวอยู่กับคำบริกรรมไปท่าบริกรรมถ้าดูลมก็อยู่ดูที่ลมไปอย่าไปให้มันมากเรื่องบางคนเอาพุทเข้าโทออกมันก็เลยมากเรื่องแต่ถ้าทำแล้วมันสงบมันเย็นก็ ก็ถือว่าเป็นกรณีชฉพาะตนไปบางคนพูดเข้าโทออกแล้วจิตรวมได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรดันั้นก็ต้องดูผลที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ปฏิบัติว่ามันเย็นหรือมันร้อนถ้ามันร้อนก็สแสดงว่าผิดทางแล้วถ้ามันเย็นก็ถูกทางคำถาม ท, ทางบ้านหมดแล้วผู้ที่อยู่ที่ศาลานี้มีใครอยากจะถามไหม ขอเชิญถามได้ในตอนนี้นะถ้าปิดไมค์โฟนแล้วก็จะไม่ให้ถามนะกับนรัสการพระอาจารย์ค่ะขอถามว่าคนที่เขามีจิตหรือสมาธิที่เข้มแข็งถ้าเกิดว่าอย่างเขาไปดูภาพายนตร์อย่างเงี้ยภาพายนตร์ที่ออกแนวรุนแรงแล้วมีเลือดสาดเอาไว้วะขาดแบบ ฟาดฟันกันด้วยความรุนแรงเขาสามารถดูด้วยหน้าตาเฉยแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่เวลาหนูไปดูอย่างงี้ยหนูจะอกสั่นขวนแขวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาก็จะมีอาการสะทกสะทานนะคะไม่สามารถดูหนังพวกนี้ได้แสดงว่าจิตของเราไม่เข้มแข็งเท่าคนที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะก็คือเราไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีอุเบกขาพอเห็นอะไรใจก็ไหลไปตามสิ่งที่เห็น เหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆแต่คนที่มีอุเบกขานี้ก็จะแยกเขาออกมาจากเหตุการณ์ได้เขาจะเป็นเหมือนคนดูหนังเออท่านเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอหนังแต่คนที่มีอาการหวั่นไหวนี้เขาไปคิดว่าเขาอยู่ในจอหนังด้วยเพราะเขาไม่มีอุเบกขาพอเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นเป็นไปอย่างตามที่เห็น ทั้งๆ ท, ที่มันเป็นเพียงภาพหลอกภาพหลอนเหล่าเท่านั้นเองไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงงั้นต้องฝึกสติให้มากๆแล้วต่อไปจิตก็จะมีอุเบกขามีพลังที่จะสักแต่ว่ารู้ได้ตอนนี้ไม่สักแต่ว่ารู้เห็นแล้วปรุงแต่งตามกับเหตุการณ์ไป อาจารย์คะแล้วหรือจะไปฝึกแบบดูไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ชินไปเองงั้นหรือเปล่าคะดูหนังบ่อยๆเลยค่ะหรือก็ดูเรื่องเดียวซ้ําๆต่อไปมันก็ชินอะ๋อหรือว่าไปทําสมาธิดีกว่าค่ดูก็ซ้ำๆไปทําไมอ่๋อถ้าทําสมาธิก็ไม่ต้องไปดูหนังแล้วค่ะถ้าไปดูหนังก็แสดงว่าทําสมาธิไม่ได้ผลค่ะถ้าทําสมาธิได้ผลนะก็ไม่อยากจะดูอะไรค่ะหมดคําถามค่ะอ มีใครอยากจะถามอีกไหมจะให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งถ้ า, าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวล า, าก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุบความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ